วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นธุระกันดานหลวงตาท่านให้ความใส่ใจต่อวัดในถิ่นธุระกันดานที่มุ่งปฏิบัติจิตภาวนาอันเป็นงานโดยตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงคอยให้ความช่วยเหลือ ด้านจตุปัจจัยทยทานตามความเหมาะสมและความจำเป็นแก่สมณะเพศเพื่อไม่ให้เป็นข้อกังวลในการบำเพ็ญเพียรและจะได้ใช้เวลาเร่งสร้างสติปัญญาให้กล้าแกร่งจนสามารถก้าวข้ามทุกภายในใจได้วัดที่ท่านให้ความช่วยเหลือ จึงมักมีสภาพเป็นป่าเป็นเขาบรรยากาศเอื้อต่อความสงบสงัดเช่นวัดที่อยู่ในแถบภู ว, วัวแถภูเขาในอำเภอหนองวัวซอภูหลวงภูลังกาน้ำหนาวแนวเทื่อเขาภูผานเป็นต้นเม <obviamente> ื่อมีโอกาสท่านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นไปสงเคราะห์ช่วยเหลือและรพร้อมๆกันนี้ท่านจะแอบสังเกตอยู่เงียบๆ เ, เพื่อดูข้อวัดปฏิบัติความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระเนรไปด้วยที่ท่านเน้นย้ำคือดูว่าสำนักนั้นมีทางจงกรมหรือไม่มีร่องรอยการเดินจงกรมของพระเนรหรือไม่เพราะท่านถือว่าทางจงกรมนี้คือ ที่ทำงานของพระทางครวาดเขายังมีโต๊ะทำงานทางพระเนนก็ต้องมีทางจงกรมเป็นสถานที่ทำงานเช่นกันตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงคำพูดเด็ดขาดของท่านต่อวัดที่ท่านให้การสงเคราะห์และเยี่ยมเยียนดังนี้ไปวัดนั้นวัดนี้ผู้ที่มีฮิริโอตตะ ผู้มีศีลมีธรรมประพฤติตัวเป็นคนดีเป็นพระดีเพื่อมรกเพื่อผลแล้วเราติดตามแนะนําสั่งสอนดุดาว่ากล่าวถ้าแบบเข้าห้องไอซแล้วไม่เล่นด้วยไม่ไปเหยียบจนกระทั่งวัดไม่ไปไปอะไรเกิดประโยชน์อะไรไม่ไปเสริมมันหดเข้าด้วนเข้าด้วนเข้านี่นะ ความจริงจังในการสงเคราะห์พระเนนผู้มุ่งปฏิบัติธรรมนี้จะเห็นได้ชัดเจนจากคำสอนของท่านคราวหนึ่งต่อพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าวัดแถบภูวัวใจความว่าเรื่องข้าวสารอาหารสดแห้งของขบฉันที่จัดส่งให้อยู่เป็นประจำทุกเดือนนี้ถ้าไม่เพียงพอให้บอกทันที จะจัดเพิ่มเติมให้สถานที่นี้เป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การบําเพ็ญจิตตะภาวนาอยู่มากหากมีพระเนนผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมาอยู่ด้วยมากน้อยเพียงใดผมจะเป็นผู้รับเลี้ยงเองทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพระเนนประเภทหมูขึ้นเขียงคือไม่สนใจต่อการภาวนาขี้เกียจขี้คร้าน มีแต่กินแล้วนอนนั้นให้ไล่หนีทันทีเลยนะนอกจากท่านจะทรงเคราะห์วัดปฏิบัติในถิ่นธุรกันดาลต่างๆดั ง, ดงกล่าวแล้วด้วยระลึกถึงบุญถึงคุณเจ้าคุณพระธรรมเจดีพระอุปชาท่านจึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านจตุปัจจัยไทยทานแก่วัดโพธิสมพร ซึ่งเป็นวัดของพระอุปชาของท่านเองเป็นประจำทุกเดือนตลอดมาหลายสิบปีจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยอีกวัดหนึ่งคือวัดป่าสุทาวาสในตัวจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสถานที่ประชุมเพลิง และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้มีพระคุณสูงสุดแก่ท่านท่านจึงหาโอกาสเข้ากราบไหว้รูปสมมุติของท่านอาจารย์มั่นอยู่เสมอมาไม่ห่างเหินลืมเลือนแต่อย่างใดเลยทุกครั้งที่ไปท่านจะนำจตุปัจจัยไทยทานต่างๆ ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือวัดด้วยทุกคราวคุณธรรมดังกล่าวของท่านนี้ทำให้ลูกศิษย์พระเนนขรวาดรู้สึกซาบสึงใจเพราะเห็นท่านเปี่ยมล้นด้วยแบบฉบับอันงดงามในกตันยูกะตะเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณ เตือนพระเนนระวังมหาภัยห้าอย่างในคราวท่านไปแจกของและเยี่ยมเยียนสำนักที่ตั้งใจปฏิบัติท่านจะย้ำเตือนพระเนนลูกหลานเสมอๆด้วยความเมตตาสงสารถึงมหาภัยห้าอย่างดังนี้ พระเราเป็นเพศที่หนึ่งที่จะสามารถครองมรครองผลได้เพราะมีโอกาสอันดีงามทุกสิ่งทุกอย่างอํานวยหมดให้พากันตั้งใจเราเป็นห่วงเป็นใยพระลูกพระหลานของเรากลัวจะเลิญเลอ่อเผลอสติเป็นบ้ากับโลกกับสงสารเขาทุกวันนี้เรื่องของกลมายาของกิเลสนั้นมีมากนะ วันนี้จะพูดให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายของเราได้ทราบเสียว่าจุดใหญ่มหาภัยคืออะไรเริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์เป็นข่าวเป็นคราวพระเราไม่จำเป็นต้องหาข่าวหาคราวหลีข่าวหลีคราวทั้งนั้นถึงถูกอย่างพระพุทธเจ้าไล่เข้าป่าเพื่อหลีข่าวหลีคราวทั้งหลาย อันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายของกิเลสมันบีบบี้สีไฟนั่นเองจากนั้นก็วิทยุให้ตัดออกอันนี้ก็เป็นเรื่องขาวเรื่องคราวเรื่องยุยงก่อกวนกจิตใจให้ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปตามมันเทวทัศน์โทรทัศน์วีดีโอนี่เป็นตัวสำคัญมากอันนี้อันหนึ่ง แล้วโทรศัพท์มือถือนี้สุดยอดได้เลยจับโทรศัพท์ขึ้นใส่หูปับ๊บนี้คุยกับอีสาวได้สบายเลยนัดกันไปห้องไหนหับไหนที่ไหนที่ไหนม่านรูดม่านรี ด, มรดไม่สำคัญนัดกันได้ถึงที่สุดนี่แหละห้ากริย์นี้เองเป็นตัวทำลายาศาสนาอยู่เวลานี้วัดวาอาวาสเรา เลยจะรกจะร้างไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เข้าไปทำลายตามวัดตามวาจะไม่มีเหลือพระเนนอยู่ในวัดแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เมื่อเห็นความอุจารบาตาของพระเนนไม่มียางอายแล้วประชาชนญาติโยมเขาก็หมดศรัทธาไม่มีความเคารพเลื่อมใสเขาก็ไม่ใส่บาตรให้กินละสิ เมื่อเขาไม่ใส่บาตรให้กินแล้วพระเนนจะทนอยู่ได้ยังไงวัดก็กลายเป็นวัดร้างไปได้นี่ละตัวมหาภัยจึงได้พเดียงให้พระลูกพระหลานทั้งหลายทราบอย่าได้คุนอย่าได้ชินกับมันอย่าเห็นว่าเป็นสุริมงคลนี้คือตัวภัยสำหรับพุทธศาสนาสำหรับพระเนนของเรา ให้พากันระมัดระวังให้มากใครกล้าหารชาญชัยก็คือเป็นเทวทัพ ต, ต่อสู้พระพุทธเจ้านั้นแหลนี่เป็นจุดสําคัญมากขอให้พากันระมัดระวังอย่าไปสนิทสนมกับมันถ้าไม่อยากจมนี่เป็นข่าศึกแม้แต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้จิตใจของเรายังสาะยังสแสวงหา ยุ่งเหงื่อบุบวายตลอดเวลาจนหาเวลาว่างหาความสงบไม่ได้ก็เพราะจิตหาอารมณ์หาข่าวให้เอาข่าวแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข่าวภาวนาลงไปสู่จุดนี้ระ ง, งับดับข่าวนั้นให้หมดไปให้เหลือแต่ข่าวพุทโธธรรมโมสังโฆข่าวอัดข่าวธรรม อยู่ภายในใจใจของเราจะได้มีความสงบเยือกเย็นข่าวธรรมกับข่าวโลกคือข่าวกิเลสกับข่าวธรรมนี้ต่างกันมากนะ